มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาตรติยวัคเวทะคูปัญหาที่หกถามว่า สภาวะอย่างไรเรียกว่าเวทคูราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามอัถปัญหาสืบต่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบปรีชาปัญหานี้โยมยังสงสัยอยู่สภาวะอย่างไรเรียกว่าเวทคูพระนาคเสนผู้วิเศษจึงย้อนถามว่า มหาบพิษสังเกตสภาวะอันใดกำหนดว่าเป็นเวทคูอ๋อโยมสังเกตว่าสัตว์บันดาที่มีชีวิตอยู่นี้และดูรูปด้วยจักขุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐะอันอ่อนและกระด้างด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยน้ำใจ นี่แหละเรียกว่าเวทคูจะเปรียบให้พระผู้เป็นเจ้าฟังยะถามะยังเหมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในปราสาทปรารถนาจะดูสิ่งไรก็เปิดหน้าพระแกลแลไปหน้าพระแกลเปิดไว้ทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนั้นครั้นปรารถนาจะดูโดยช่องพระแกลก็แลไปในทิศเหนือ หรือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกประการใดก็เห็นไปสมปรารถนายะถามีครุวนาฉันใดสภาวะที่มีชีวิตจิตใจยอยู่จะดูรูปด้วยจักรุทั้งสองจะฟังเสียงด้วยหูทั้งสองข้างจะดมกลิ่นต่างๆด้วยนาสาจะบริโภคด้วยชิวหาอันรู้รสทุกสิ่งอันจะถูกต้องสิ่งทั้งหลายนั้นด้วยกาย จะรู้ซึ่งสิ่งอันละเอียดทั้งหลายด้วยใจก็มีอุปมาเหมือนช่องพระกแกลเปิดไว้อย่างนี้โยมเข้าใจว่าเป็นเวทคูพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นกะไรพระนาคเษนถวายพระพรตอบไปว่าอัตมาจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งให้ดีกว่านี้เดิมทีสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจยอยู่นี้จะดูรูปด้วยจักขูทั้งสองจะฟังเสียงเป็นต้นว่าขับร้อง ด้วยช่องสูดทั้งสองข้างจะดมกลิ่นต่างๆด้วยนาสาจะบริโภคอาหารนานาด้วยชิวหาอันรู้รสทั้งหลายจะถูกต้องสิ่งทั้งปวงด้วยกายจะรู้ซึ่งสิ่งทั้งหลายอันสุขุมด้วยใจมีคารุวนาฉันใดอัตมาจะเปรียบให้ฟังยะถามไม่ยังดุจเรานั่งอยู่บนปรางประสาสนี้มีช่องพระแกลเปิดไว้ ทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกนั้นครั้นจะ แ, แลไปโดยทิศใดจะดูข้างทิศเหนือหรือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกนั้นก็เห็นสิ้นมีขรุวนาฉันใดสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจจะดูรูปด้วยจักจัจะดูรูปด้วย ห, จวยหูจะดูรูปด้วยจมูกจะดูรูปด้วยลิ้นจะดูรูปด้วยกาย จะดูรูปด้วยน้ำใจก็ได้เหมือนหนึ่งช่องพระแกลที่เปิดไว้ดุดมหาบพิษเปรียบมาชนี้จะได้หรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตอบว่าไม่ได้พระนาคเกษถวายพระพรตอบไปว่ามหาบพิษเปรียบนี้ไม่ควรช่องพระแกลเปิดไว้จะแลไปเห็นก็แต่รูปจะฟังเสียงและจะดมกลิ่น จะกินอาหารเป็นต้นให้รู้โดยช่องพระแกลไว้เปรียบอย่างนี้ไม่ควรเพราะเหตุไหร่เหมือนหนึ่งว่าเราทั้งหลายนั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐมีช่องพระแกลเปิดไว้ทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกนั้นเยี่ยมหน้าออกไปข้างนอกโดยช่องพระแกลก็แลเห็นรูปด้วยจักขุฉันใด ซึ่งสัตว์มีชีวิตจิตใจอยู่ภายในกายและจะดูรูปทั้งหลายด้วยจักขุทวานก็เห็นรูปดุดดูที่หน้าต่างเปิดไว้แล้วถ้าเปิดไว้ซึ่งหูและจมูกและลิ้นและกายและน้ำใจจะเห็นรูปทั้งหลายเหมือนหนึ่งว่าเยี่ยมหน้าออกดูรูปตามช่องพระกแกลแล้วแลดูรูปนั้นหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า หามิได้พระนาคเกษถวายพระพรตอบไปว่าเหตุฉนี้ความที่มหาบพิษเปรียบนี้วิปริตผิดอยู่อันทวานทั้งหกจะยกเปรียบด้วยช่องพระแกลนั้นไม่สมควรจะเปรียบให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเล่าเหมือนบพิษพระราชสมภารเจ้าฉนี้จะสถิตณพระที่นั่งซุ้มพระธวานมหาประสาท แล้วจะพระราชทานทรัพย์แก่ยาจกยาจกมารับพระราชทานทรัพย์เป็นสองคนคนหนึ่งมาแต่ทิศตะวันตกครั้นมารับพระราชทานแล้วก็ไปข้างทิศตะวันออกยาจกคนหนึ่งมาแต่ตะวันออกครั้นมารับพระราชทานแล้วก็ไปสู่ทิศตะวันตกเมื่อยาจกมาข้างทิศนี้ไปข้างทิศนั้นบพิษสิสถิตอยู่ที่ซุ้มประตู รู้หรือไม่หรือเป็นประการใดเล่าพระเจ้ากรุงมิลินตอบว่าข้าแต่พระนาคเษศผู้เป็นเจ้าโยมรู้ว่ายาจกคนนั้นมาแต่ทิศตะวันออกไปข้างทิศตะวันตกยาจกมาแต่ทิศตะวันออกโยมรู้สิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษศ จ, จึงถามอีกเล่า ว, ว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภาร อีกประการหนึ่งเล่ายาจกที่บ่อพิษพระราชทานนั้นอันยันโตเมื่อยังไม่นำเอาของพระราชทานไปติดไถะจะพึงนั่งอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งตะวังมหาราชขอถวายพระพรบ่อบพิษพระราชสมภารจะทราบหรือไม่ว่ายาจกนี้เราประทานแล้วยังนั่งอยู่พระเจ้ากรุงมิลินจริงตรัสว่า เออโยมรู้สินะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน จ, จึงเปรียบอีกเล่าว่าข้อที่ว่ายาจกมาแต่ทิศตะวันตกตะวันออกมารับพระราชทานแล้วจะนั่งอยู่และจะไปโดยทิศตะวันออกนั้นก็ดีมหาบพิตรรู้อยู่สิ้นแล้วและความนี้ฉันใดสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ภายในกายเมื่อจะบริโภกรสอาหารทั้งหลายด้วยชิวหา และรสอาหารนั้นก็ตกถึงชิวหาเตชาเนยุงสัตว์นั้นได้ลิ้มเลียรสจะรู้หรือว่ารสนี้อัมพิรตตังวาเปรี้ยวก็ดีละวะนัตตังวาเข็มจืดก็ดีติตตกัดตังวาขมก็ดีกระตุกัดตังวาเผ็ดร้อนก็ดีกรสายตตังวาเฟือนฝาดก็ดีมัุรตตังวา หวานก็ดีจะรู้รสทั้งนี้ด้วยลิ้นนั้นเหมือนกันกันกบมหาบพิษสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูมหาปราศาสตรจะดูยาจกเข้าออกและนั่งอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งก็รู้กรณีหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสรับว่าชาในยุงเออรู้สิผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจิงตรัสถามอีกเล่าว่า ขอถวายพระพรก็ทว่ารถอาหารไม่ได้ผ่านเข้าไปที่ชิวหาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ภายในกายจะรู้หรือว่ารถทั้งหลายนั้นว่าเฟื่อนฝาดเผ็ดร้อนเปรี้ยวขมเค็มขาวหวานนะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เมื่อรถไม่เข้าถึงชิวหานี้จะรู้ที่ไหนพระนาคเษนจิงถวายพระพรต่อไปว่าซึ่งมหาบาพิตรตัดไว้กับข้ออุปมาอุปมัยก็ผิดกันไปณยุทธชติไม่ถูกไม่ต้องไม่สมไม่ควรหาไม่ได้อันหนึง่งจะอุปมาต่อไปนะบพิตรพระราชสมภารโกจิเทวปุริโส เปรียปานดุดบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาน้ำพึ่งและนมเปรียงมาเทลงไว้ให้เต็มรางแล้วจะให้บุรุษผู้หนึ่งลงนอนในรางจะปิดปากไว้ไม่ให้รสน้ำพึ่งนมเปรียงไหลเข้าปากได้บุรุษผู้นั้นจะรู้หรือไม่ว่ารสน้ำพึ่งหวานนมเปรียงมันจะรู้เหมือนชิมด้วยลิ้นนั้นหรือว่าหาไม่ได้ พระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัตริย์ว่าชิวหานั้นไม่ได้ชิมลิมเหลียจะรู้รสหาไม่ได้พระนาเกเณนจึงตอบไปว่าขอถวายพระพรความนี้ไพ่เผย อ, อยู่ชั้นใดที่บพิษเปรียบว่าช่องพระแกลมหาปราศาสตเปิดไว้โดยทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกนั้นนำมาเปรียบกันกันกบทวารทั้งหก ก็ไม่สมและจะว่าลักษณะแห่งทวารทั้งหกก็ไม่ถูกต้องจะจัดว่าเป็นเวทคูนั้นผิดกันไปไม่สมควรขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรก็จนพระไทยจึงตรัส ย, ยอมลงว่าโยมนี้ไม่อาจจะตอบโต้เจรจาตยาวาทินาด้วยถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าได้ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาเนื้อความนี้ให้แจมแจ้งเถิดฝ่ายพระนาค เ, เสนผู้ประเสริฐก็ให้พระเจ้ากรุงมิลินเข้าพระทัยด้วยถ้อยคำอันประกอบไปด้วยอภิธรรมมกาถาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจงทรงสวนาการฟังให้เข้าพระทยัยซึ่งตรัสไว้ว่าจักขุดูรูปรู้ว่ารูป ตรัสเป็นอาทิชนิหาถูกไหมนี่แหละจะักขูอาศัยรูปก่อนจึงจะมีจกักขูวิญญาณรู้ว่ารูปแล้วเมื่อเจตสิกเกิดพร้อมด้วยจกักขูวิญญาณ น, นั้นคือเวทนาเจตสิกมีลักษณะเสวยสุขทุกข์อุเบขาและสัญญาเจตสิกมีลักขณะกําหนดกฎหมายและเจตานาเจตสิก มีลักขณะตรึกอารมณ์ผัสสะเจตสิกมีลักษณะกระทบอารมณ์มณสิการะเจตสิกมีลักขณะถือเอาอารมณ์นี้ก็เป็นสหชาตธรรมด้วยจักขุวิญญาณคือเคยเกิดพร้อมด้วยจักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นปัจจยะยโตแต่เหตุอาศัยจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยอุดหนุนดังนี้ และจะจัดว่าเป็นเวทคูคือสัตว์บันดามีชีวิตอยู่อย่างนี้จะเป็นเวทคูหาไม่ได้และพระหน้าเกษร จ, จริงวิสัชนาแก้ไขต่อไปในบทว่าโซตะและคานะและชิวหาและกายและมนโนนั้นอาศัยกันเหมือนจกขุกับรูปนั้นว่าขอถวายพระพรโซตันจะอันว่าหูทั้งสอง อาศัยสัททะคือเสียงขับร้องเป็นต้นเสียงทั้งหลายนี้ถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินคานะจมูกอาศัยคันทะคือกลิ่นชิวหาลิ้นอาศัยลิมเลียกินซึ่งรสทั้งหลายกายอาศัยเคล้าคลึงถูกต้องเข้ามะโนน้ำใจเล่าจะนึกฝันไปก็อาศัยแก่ธรรมารมอันสุขุมนั้น และโสตะและคานะและชิวหาและกายและน้ำใจจะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อาศัยแก่วิญ ญ, ญาณจึงจะรู้ใช่ว่าจะรู้ด้วยกำลังวิญญาณทีเดียวหาไม่ได้อาศัยสหาชาตธรรมเกิดขึ้นพร้อมถ้อยทีถ้อยคำชูอุดหนุนแก่กันและสหาชาตธรรมนั้นได้แก่เวทนาสัญญา เจตนาผัสโสมณนศิการุมีลักษณะดุดวิสัชนามานี้มีประกอบเกิดพร้อมด้วยกันกับปิญญา น, นั้นจึงจะรู้ว่ารูปด้วยจักขุจึงจะรู้ว่าเสียงด้วยหูจึงจะรู้ว่ากลิ่นด้วยจมูกจึงจะรู้ว่ารสด้วยลิ้นจึงจะรู้ว่าถูกต้องเย็นร้อนอ่อนกระด้างทั้งหลายจึงจะรู้รรมบัญญัติทั้งหลายด้วยใจ มีในอภิธรรมอย่างนี้ตามพระพุทธดีกาโปรดไว้จะได้จัดว่าสัตว์อันมีชีวิตอยู่ภายในกายทั้งหลายนี้กำหนดในบทว่าเวทคูหาไม่ได้บพิษพระราชสมภารพึงเข้าพระไทัยเถิดสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินเกตกษัตริย์ได้ฟังชัดก็สมนัตปรีดามีพระราชองค์การสรรเสริญว่ากันโลสิสาทุสั พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรจะมานาศิการไว้ในการบัดนี้เวทคูปัญหาคำรบหกจบเท่านี้